เพราะว่าจับนาของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่หข้อหนึ่งถึงสความว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนครับพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงและเทอทูนขึ้นและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร เหนือพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีกหกปีกใช้สองปีกบังหน้าและสองปีกคลุมเท้าและด้วยสองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์และรากฐานของธรณรีประตูทั้งหลาย ก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดและข้าพเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธา แล้วตนหนึ่งในเซราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งเขาเอาคือทีมขี้มาจากแท่นบูชาและเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วกำชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าก็จะรับการลบมนทินบากและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็น จงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงงและให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายขอพระเจ้าวยพรพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณค่ะ พี่น้องที่รักในพระคฤิตท่านผูมิเกียรติทุกท่านในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการโศกเศร้าเสียใจอาลัยในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบระมโกศได้จากพวกเราไปบทเทศนาในเช้าวันนี้ก็คือสวรรค์คาลัยซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the king is dead บทเทศนาในวันนี้เป็นบทเทศนาที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์อังกฤษที่ได้เสด็จสวรรคตผู้ที่เทศนานั้นก็ได้ใช้พร ะ, ะ, พระเจ้าตอนนี้ซึ่งผมเองก็ได้ค้นหาและนํามาเล่าให้พี่น้องฟังและแบ่งปันให้กลายเป็นพระเจของพระเจ้าในเช้าวันนี้เช่นเดียวกัน ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าข้าหลายทูลขอการทรงนำของพระองค์มาถึงโจรณะของพระองค์ให้ทุกถ้อยคำจะสื่อความหมายเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจให้ข้าพงษ์ทั้งหลายปรับเปลี่ยนชีวิตของข้ามหลายตามโจรณะของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําว่าสวรรค์คาลัยนะครับเป็นคําที่หลายท่านก็เข้าใจ แต่ว่ามีบางท่านนะครับก็ถามผมว่าเอคสเสตีเราเนี่ยเราใช้คำว่าสวรรค์คาลัยเนี่ยเหมาะสมหรือใช้ได้หรือเปล่าผมอยากจะยกเอาข้อความจากราชบัณฑิตตยสภาที่ได้เผยแพร่เอกสารตอบข้อสงสัยประชาชนเรื่องการใช้วลีที่ว่าสเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ราชบัณฑิตได้รับคําถามว่าการใช้คําว่าหรือว่าลีที่ว่าเสด็จสู่ ส, สวรรค์คาลัยนั้นควรจะต้องมีคําว่าส่งเสด็จด้วยหรือไม่นะครับท่านก็ตอบว่าเคยได้ให้ข้อมูลความหมายนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาดราชนากรินสิ้นพระชนให้คําอธิบายอย่างนี้ครับคําว่าสวรรค์คาลัย มีความหมายตามพจนนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2,542 เป็นคำกริยาครับหมายความว่าตายใช้กับเจ้านายชั้นสูงซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์พี่น้องครับความหมายคำ ว, ว่าสวรรค์คาลัยเป็นคำกริยาหมายความว่าตายใช้กับเจ้านายชั้นสูง ตรงนี้เองผมก็คิดถึงคําว่าสวรรคตสวรรคตนั้นเป็นคําที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยเราเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมเรารู้ว่าคําว่าสวรรคตนั้นแปลว่าแปลว่าตายเพราะฉะนั้นคําว่าสวรรคารัยก็แปลว่าตายเมื่อเราใช้คําว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเราก็สามารถที่จะใช้คําว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ สู่สวรรค์คาไยได้แต่ด้วยความหมายนี้เองนะครับโดยคาแนะนำของราชบัณฑิตยสภาทำให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นใช้คำว่าสวรรค์คาไลได้โดยไม่เคอะเขินครับแต่แต่การสื่อความหมายนั้นราชบัณฑิตยสภานั้นบอกว่ามีการสื่อความหมายไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจเกิดจากการแปล ตรงตามรูปสัพ์คําว่าสวรรค์นะครับก็หมายถึงสวรรค์หมายถึงโลกของเทวดาส่วนคําว่าอะไรนะครับก็แปลว่าที่อยู่ที่พักจากสองคำนี้นะครับทำให้เกิดความหมายในการสื่อที่ไม่ถูกต้องนักเพราะเกิดจากการแปลตรงตัวตามรูปสัพ์ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้บอกว่าพระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จสู่สูงสวรรค์ด้วยพระองค์เองนี่แะครับคือความหมายของคำว่าสวรรค์คาไลตามรูปสรรับการดึงรากสรรับออกมาอธิบายแต่ว่าเราจะใช้ความหมายแรกที่ผมเรียนนำเสนอนะครับคำว่าสวรรค์คาไลนั้นแปลว่าตายเพราะฉะนั้นคริสเตียน จึงใช้ได้ตามคาแนะนาของราชบัณฑิตเตยสภาพี่น้องครับโปรดอย่าเถียงกันนะครับด้วยคำศัพท์ที่อาจจะเราเข้าใจและรู้สึกแตกต่างกันเพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้ใครอยากจะใช้ว่าสวรรค์คาลัยหรืออยากจะใช้ว่าสวรรค์น นะครับก็จะเหมือนกันเวลาที่เราใช้คำว่าสวรรคคตเราไม่ได้คิดถึงสวรรค์ใช่ไหมครับเราคิดถึงว่าตายเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าถ้าเรานะครับจะแปลคำว่าสวรรค์คาลัยนะครับผมอยากจะแปลเป็นวลีที่ตรงกับบทเทศนาในวันนี้คือ the king หรือ our king is dead พี่น้องครับ ในพระเจ้าของพระเจ้าอิสยาบทที่6ข้อที่หนึ่งถึงข้อ13นะครับจากภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะเราจะเห็นว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งครับคือชื่อว่ากษัตริย์อุตสยาท่านสิ้นพชนบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่หนึ่งในปีที่กษัตริย์อุตสยาสิ้นพชนข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้กล่าวถึงการสิ้นพระชนของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง700ปีก่อนพระเยซูถือกำเนิดที่เบตเลเฮมมีการประกาศข่าวเศร้าว่ากษัตริย์ทรงสิ้นพระชนแล้ว The King is dead กษัตริย์องค์นี้ชื่อว่ากษัตริย์อุศสิยาครับและกษัตริย์อุศสิยานี้เป็นกษัตริย์องค์ที่ส0บนะครับของ ราชวงศ์ยูดาบางตำราก็บอกว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่11เนะครับจากชาร์จที่ผมได้ขึ้นให้พี่น้องดูนะครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์อุตสยาเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับในแถบสีชมพูม่วงนี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราพบว่ากษัตริย์อุตสยานี่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้เผยพระชนะเสกคาริยาเหมือนกับว่าเมื่อมีสถาบันกษัตริย์นะครับก็จะมีสถาบันปุโรหิต ควบคู่กันไปด้วยและก็ยังมีที่ปรึกษาก็คือผู้เผยพรนะเจ้าหรือเราเรียกว่าประกาศศกของพระเจ้ากษัตริย์อุซิยานี้เป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนกษัตริย์องค์อื่นของยูดาเพราะว่าพระองค์นั้นรักพระเจ้าติดสนิทและนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ทําให้แผ่นดินยูดาห์นะครับเป็นอาณาจักรฝ่ายใต้ของอิสราเอลนั้นเข้มแข็งมั่งคั่งและประสบความสําเร็จได้รับการอวยพรจากพระเจ้า นับตั้งแต่สมัยโซโลมอนนะครับนะมาเรื่อยเรนะื่อเราจะเห็นว่ากษัตริย์อุสยานี้เป็นกษัตริย์ที่ดีและเก่งมากครับยิ่งใหญ่ปกครองยูดาห์อยู่ถึงห้าสิบสปีขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุสิบหชันสานะครับ mm hmm. กษัตริยานี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่รองจากกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอนเลยทีเดียวแต่เมื่อ the king is dead นะครับ ผู้เรวจอิสยาก็หัวใจแตกสลายเหมือนกับพวกเราเมื่อเราได้ยินข่าวสวรรคนคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเราหัวใจแตกสลายเช่นเดียวกันเหมือนกับที่อิสยาได้แตกสลายเมื่อ2700ปีที่แล้วอิสยาใจแตกสลายเมื่อเขาทราบข่าวการสิ้นพระชนของกษัตริย์อุตยาพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นมหากษัตริย์ ของเขาเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นพระสหายด้วยอิสยาห์กำลังเดินทางไปที่พระวิหารครับเพื่อนำมัสการพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าเพื่อการปลอบโยนหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายพี่น้องครับเมื่อเรามีความโศกเศร้าเมื่อเราเกิดความกดดันจากสภาวะแวดล้อมสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือบ้านของพระเจ้านิเวศ ของพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าทุกอย่างมีคำตอบในพระเจ้ารวมทั้งมีความหวังเมื่อเรากลับมาหาพระองค์เราจะพบว่าประกาศกอิศยาไปที่พระวิหารเขารู้ว่ากษัตริย์ของเขาที่เขารักและจงรักภักดีนั้นได้สิ้นพระชนไปแล้วแต่พระเจ้าไม่ส่งสิ้นพระชน พระเจ้ายังปกครองอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อยู่บนบัลลังก์ของพระองค์อิสยาห์นั้นได้สูญเสียกษัตริย์ของโลกนี้ที่เขารักแต่เมื่อเขามองที่กษัตริย์เหนือกษัตริย์ก็ได้พบกับพระเจ้าที่ ท, ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาต่อไปอย่างสิ้นเชิงพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เขาขึ้นเป็นหัวข้อว่าการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่ออิสยาห์หลังจากที่ พระมหากษัตริย์อุตสิยานั้นสิ้นพระชนกเขาพระเจ้าหวังว่าบทเทศนาในวันนี้สาหรับบางท่านจะเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพของพวกเรานั้นสิ้นพระชนเราจะได้รับการทรงเรียกเช่นเดียวกันกับที่อุตสิกาษัตริย์อุตสิยาได้สิ้นพระชนและอิศยา ได้รับการส่งเรียกเช่นเดียวกันนี่เป็นคําอธิษฐานของผมพี่น้องครับในพระเ จ, ะเจ้าอิสยาานั้นได้รับบทเรียนอยู่สี่บทเรียนด้วยกันเขาได้พบสี่สิ่งนี้ครับในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สอิสยาานั้นได้เห็นพระเจ้าที่นี่บอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนเข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อิสยาห์นั้นได้เห็นพระเจ้าเขาได้เห็นพระเจ้าในนิมิตนิมิตที่ยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้และเขาได้เห็นพระเจ้าประทับนะัพระที่นั่งสูงเทิดทูนขึ้นและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีเสราฟิล์มยือนอยู่เสรระฟิล์มเป็นทูตสวรรค์ น, นะครับแต่ละตนมีปีกหกปีกสองปีกบังหน้าสองปีกคลุมเท้า และอีกสองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระศรีของพระองค์และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดอิสยาพบอะไรบ้างครับอิสยาเห็นพระเจ้าและพบกับพระเจ้าเหมือนกับที่โมเสสได้ขึ้นไปและก็เห็นเบอร์นิงบูชก็คือต้นไม้ที่ลุกเป็นไฟแต่ไม่ไหม แล้พระจนะของพระเจ้าในพระธรรมโอปปโยบที่15ข้อ11นั้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าได้บรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเสมือนพระองค์ได้เล่าองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามเนื่องด้วยพระสกิตรันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทําอันนี้คือสิ่งที่โมเสสได้บันทึกไว้ครับเมื่อเขาเห็นพระเจ้าเขาเห็นพระลักษณะของพระเจ้านะครับเขาเห็นสถานะของพระเจ้าเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าประทับณนะพระที่นั่งสูงเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาเห็นสง่าราศีของพระองค์เขาเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการนมัสการและการสรรเสริญล้อมรอบไปด้วยทูตสวรรค์เสราฟิลพี่น้องครับถ้าเรามีเวลาเช่นนี้ที่ได้พบกับพระเจ้ามันเป็นความยิ่งใหญ่มากทีเดียวพบกับพระเจ้าในพระวิหารส่วนตัวเหมือนกับที่อิสยาได้พบเราจะรู้สึกยังไงครับ และสิ่งนี้เคยมีผลกระทบกับชีวิตของอิสยาเช่นเดียวกันครับสิ่งนี้ก็จะมีผลกระทบกับพวกเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้พี่น้องครับเมื่อผู้ที่เราเคารพรักได้จากไปเราแสวงหาพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์ในพระนิเวศของพระองค์พระเจ้าจะมีคําตอบพระเจ้าจะทรงเรียกเราออกมาเพื่อที่เราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากําลังจะเปิดเผยให้กับเราอิสยาเห็นอะไรต่อไป อิสยาเห็นพลักษณะของพระเจ้าลักษณะของพระเจ้าในที่นี้ก็คือความบริสุทธิ์ครับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงบริสุทธิ์อิสยาานั้นเข้าใจว่ากษัตริย์อุยานั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นสมควรจะรับการสรรเสริญลักษณะของพระเจ้าเช่นนี้เป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดและในความบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับก็ยังมีความรักที่ควบคู่กันไปด้วย ด้วยเหตุนี้ในพระธรรมยากบได้บอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของพระทานอันเลือดทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนส่งตรงลงมาจากพระสิพระบิดาแห่งบรดาดวงสว่างในพระบิดานั้นไม่มีการแปรปรวนไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเราพบว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และต่อไปเป็นนิจ ด, ด้วยเหตุนี้เมื่ออิสยาห์นั้นเห็นพระเจ้าอิสยา ได้เห็นสถานภาพฐานะของพระองค์ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อิสยาได้เห็นลักษณะของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์และความรักและอิสยาได้เห็นการทรงสถิตของพระเจ้าในเพราะวจนะนั้นได้กล่าวว่าพระนิเวศนั้นมีควันเต็มไปหมดการมีควันเต็มไปหมดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าชายฉลองพระองค์เต็มพระวิหารแสดงว่าพระองค์นั้นเป็นศูนย์กลาง ในพระวิหารแต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่ออิสยาห์เห็นพระเจ้าเขาได้รับการเปิดเผยดึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับทำให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับชีวิตของเราเมื่อเรามองดูที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อแน่ว่าชีวิตของเราคงจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันจากพระราชกรียกิจของพระองค์ท่านนั้นขับเคลื่อนชีวิตของเราหรือเปล่าครับ สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้กระทําตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระดำเนินได้ทรงกระทําหรือเปล่าครับกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิตคือองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงฤทธานุภาพพระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์เองกับมนุษย์และเมื่ออิสยาพบกับพระเจ้าแล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้เผยพระเจนะนะครับแต่เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เปิดใจต่างหากพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ถ้าเราเปิดใจเรามีใจเรารับฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่านี่คือการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมแปลกใจมากครับในบทเทศน์นี้ที่ได้เทศนาในขณะที่พระเจ้าเฮนรี่ที่สองได้สิ้นพระชนเขาใช้คาว่า loyalty ที่แปลว่าจงรักภักดี เป็นความรู้ใหม่ของผมครับก็คือว่าคำว่า loyalty นั้นมาจากภาษาฮีบรูนะครับที่เขาเขียนว่าชาเลมพี่น้องรู้จักคําว่าชาโลมใช่ไหมครับเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าสวัสดีสันติจงมีแด่ท่านแต่คําว่าชาเลมนั้นแปลว่าความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีพี่น้องครับความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีนั้นมีความหมายว่าการที่เราถวายชีวิต ถวายตัวให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าทรงให้ผู้ที่ถวายตัวต่อพระองค์นั้นนิ่งคอยฟังพระองค์และเขาจะได้พบกับพระองค์นี่คือความหมายคําว่าจงรักภักดีความจงรักภักดีนั่นคือการถวายตัวรับใช้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุ น, นี้เราจะต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้าเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เราถวายตัวรับใช้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราถวายตัวรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยการเลยครับด้วยการทําความดีดังเช่นพระองค์ได้ทรงกระทำมาก่อนนี่คือประการแรกครับอิสยาได้เห็นพระเจ้าประการที่สองครับในข้อที่หอิสยาได้เห็นตัวเองเขา <tá? Sent. S 2> ได้เห็นตัวเองอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเ พ, พราะเจ้า พ, <ร>พระเจ้านะครับบอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพิราธแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนลิมฝีปากไม่สะอาดข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ลิมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของพระเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมอยทธาอิสยาเห็นตัวเองอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่ใช่เป็นภาพที่มองตัวเองในกระจกนะครับแล้วก็ชื่นชมว่าฉันหน้าตาดีฉันรูปร่างดีไม่ใช่แต่เขาเห็นว่าเขาเป็นคนบาปครับเมื่อมนุษย์คนใดเห็นพระเจ้า เห็นลักษณะของพระเจ้าเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเห็นความรักของพระเจ้าเขาจะมองกลับมาที่ตัวเองเขาจะพบว่าฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนบาปวิบัติแก่ข้าพเจ้านั่นหมายความว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตต่อไปเนี่ยนั่นคือความวิบัติแล้วถ้าข้าพเจ้าไม่กลับใจนี่เป็นความจริงครับเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้าเรายิ่งเห็นความบาปของเราชัดเจนมากขึข้นใน ในความบาปนั้นตรงกันข้ามกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับและความไม่บริสุทธิ์ของเรากับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยเข้ากันไม่ได้เวลาที่เราคิดว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วนะครับมักจะเป็นเวลาที่เราเพิกเฉยต่อการอธิษฐานเวลาที่เราคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะห่างจากพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราคิดว่าเราบกพร่องเราเห็นตัวเองตามสภาพจริงๆของตัวเองเราก็จะต้องกลับใจใหม่ครับ ผมได้อธิบายหลายครั้งทีเดียวนะครับว่าคริสเตียนเนี่ยเรามีอุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่เสมอเมื่อไรที่เราคิดว่าเราดีแล้วนั่นแหละครับกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ดีตามน้มันไทยของพระเจ้าเราเห็นครับไปโตเมื่อเข้าใกล้พระเยซูเขาในที่สุดนั้นขอร้องให้พระเยซูไปจากเขาเถิดเพราะว่าเขาเป็นคนบาปเขารู้สึกว่าเป็นคนบาปนะครับ เมื่อยอนได้รับการเปิดเผยส้ำแดงที่เกาะปัทมมอสขณะที่ท่านกําลังจะเขียนพระธรรมวิวร์อยู่นั้นท่านเขียนว่าตัวของท่านเองนั้นลม้มลงเหมือนคนตายเมื่อเขาพบกับพระเจ้านั่นหมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์พอในการที่เขาจะพบกับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งครับที่เราเข้าหาพระเจ้าในวันอาทิตย์ทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันเราจะต้องเห็นความ ไม่บริสุทธิ์ความบาปของตัวเองแต่เมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับอิสยาห์เมื่อเห็นตัวเองทาบาปตัวเองเป็นคนบาปเขาพร้อมที่จะรับการชำระบาปจากพระเจ้าในประการที่สอิสยาห์นั้นเห็นฤทธิ์อนาจการชำระความบาปของพระเจ้าเพราะเจนตของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อที่สมแล้วในข้อที่6กพระพีบอกว่า แล้วตนหนึ่งในเซลาฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือนั้นมีฐานเพลิงเขาเอาคีมคีบ ม, มาจากแท่นบูชาเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าและพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝี ป, ปากของเจ้าแล้วกำชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าจะรับการลบมนถินบาปเพียงครับเราคิดถึงภาพนะครับว่าทูตสวรรค์นั้นก็เอา ไม่มือนะฮะถือฐานเพิงคีมคีบ ม, มาจากแท่นบูชาแท่นบูชามีอะไรครับแท่นบูชาก็เป็นสถานที่ที่จะต้องมีการฆ่าสัตว์ขณะที่ปุโรหิตนั้นเขาจะถวายบูชาลบบาปเนี่ยเขาต้องฆ่าสัตว์เมื่อฆ่าสัตว์นั้นโลหิตก็จะหลั่งไหลออกมานะครับและเผาบูชาอยู่บนแท่นบูชานั้นเพราะฉะนั้นบนแท่นบูชานั้นนะครับมี สองอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับการลบบาปก็คือโลหิตอันที่สองก็คือไฟโลหิตนั้นเล็งถึงพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในสมัยต่อมาและไฟนั้นก็เล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นําการชําระมาให้พี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดโดยฤทธิอำนาจของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และ ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เหมือนไฟชำระเราให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเราบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ได้กระทาในชีวิตของเราด้วยเหตุนี้ทำให้อิสยานั้นได้เข้าไปถึงระดับที่สครับในข้อที่8และข้อที่9ก็คือว่าอิสยามองเห็น โลกนี้และและมิชชั่นของเขาในข้อที่8ดข้อที่เนะครับได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระบิดาเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าค้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดและพระองค์ตรัสว่าไปเถิดและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็น ผมจะขออธิบายนะครับข้อพรัมภีร์ที่เป็นสีแดงพระเจ้าตรัสถามอิสยาห์บอกว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราในการทรงใช้การเรียกและการเลือกของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยบังคับพระองค์จะถามเราก่อนเสมอว่าเจ้าจะไปไหมเราจะใช้ผู้ใดไปในการที่เราตอบรับ การเรียกของพระเจ้านั้นเป็นความสมัครใจเป็นท่าทีแห่งการพร้อมที่จะถวายตัวให้พระเจ้าใช้อิสยาตอบว่าไงครับท่านตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่พระเจ้าค่าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดอิสยาเห็นตัวเองว่าตัวเป็นคนบาปอิสยาเห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าทรงฤทธานุภาพแต่ขณะที่พระเจ้าทรงฤทธานุภาพข้าพระค์เป็นคนบาป พระองค์ก็ยังอยากหรือปรารถนาที่จะใช้ข้าพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับนี่คือภาษาอังกฤษชืคว่า p ิเวอร์เก็คือสิทธทิพิเศษที่พระเจ้าจะใช้คนของพระองค์พี่น้องครับอยากจะให้คำตอบของอิสยาในเช้าวันนี้บอกว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดเป็นคำอธิษฐานที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าอิสยาเห็นบิดชัน ที่พระเจ้าบอกหลังจากที่เขาพร้อมและตอบพระเจ้าพระเจ้าใช้ว่าไปเถิดและกล่าวแก่ชนชาตินี้พี่น้องครับเรามีหน้าที่ที่จะกล่าวข่าวดีกับบรรดาประชาชาทั้งหลายเรามีหน้าที่ที่จะกล่าวข่าวดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเพื่อนฝูงของเราพระเจ้าถามท่านในวันนี้เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราพรี่น้องครับ ให้การเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระมรโตกดในครั้งนี้นั้นให้เราอยู่ในสภาวะเหมือนกับอิสยาที่เราจะได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าโดยมองเรื่องราวของความตายนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีและที่เหลือของชีวิตของเรานั้นเราจะทําอะไรเพื่อองบูมิเจ้าของเราบ้าง พระเจ้ามีมิชชั่นนะครับให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนและเมื่อพระเจ้าเรียกเรานะครับพระเจ้าก็จะใช้เราและเรายังตอบสนองพระเจ้าด้วยความสมัครใจด้วยการถวายตัวของเราพี่น้องครับผมอยากจะสรุปด้วยข้อความที่แชร์กันนะครับในลายบ้างในอินเทอร์เนต็ตมากมายนะครับเพื่อที่จะได้ให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กระทาเพื่อประชาชนของผมจะขอพูดแบบชาวบ้านไม่ใสยย่ยศไม่ใช้ราชาศัพท์ผมอยากจะถามว่าคุณเห็นอะไรในคนคนนี้คุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุสองขวบพี่ชายเสียชีวิตตอนอายุสิบเก้าต้องทำงานหนักสังคมสงเคราะห์รับภาระช่วยเหลือดูแลคนจำนวนมาก รวมทั้งบริหารงานตั้งแต่อายุสิบเก้าต่อจากพี่ชายอายุยี่สิบตาบอดข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุต้องทำงานด้วยตาข้างเดียวนับแต่ตอนนั้นมาและด้วยตาข้างเดียวตลอดชีวิตหัวใจเต้นผิดปกติจากการติดเชื้อไมโครพลาสมาจากการขึ้นไปทำงานหนักทางเหนือส่งผลถึงสุขภาพทำงานหนักมาก ทั้งๆ ท, ที่มีเงินทองจากปันพบุบุษทิ้งไว้ให้มากมายอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอายุ89ยังต้องทำงานทั้งที่ป่วยคู่ครองก็ป่วยลูกสาวก็ป่วยแต่ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายถูกใส่ร้ายคนคนนี้ทำงานครบ70ปีแม้บนเตียงผู้ป่วยก็ไม่ได้หยุดและยังทำต่อไปไม่มีวันกเกษียณ ขอกราบชายผู้นี้ไม่ใช่ฐานะที่เขาเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ฐานะที่เขามีเชื้อเจ้าไม่ใช่ฐานะที่เขาร่ำรวยไม่ใช่เพราะเห็นเขากราบกันแต่ขอกราบแทบเท้าชายผู้นี้ในฐานะที่เสียสละทำงานเพื่อคนอื่นมาแล้วถึงเจ็ดสิปีนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรง ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์70ปีให้กับประชาชนเหมือนกับพวกเราซึ่งเป็นพระศบนิกรในวันนี้นะครับอยากจะให้การจากไปของพระองค์ท่านจะมีผลต่อชีวิตของเราเหมือนกับการที่กษัตริย์อุสยาได้จากอิศยาไปและเขาได้รับหลายสิ่งหลายอย่างและการจากไปนะครับของกษัตริย์อุสยาเปลี่ยนแปลงชีวิตของอิสยาและขอให้การจากไป ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากพวกเราไปนะครับจะมีผลต่อชีวิตของเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันอาเมน